พรนะุ์พวกเหล่านี้เนี่ยนะอนาคตก็พากันทำบาปกับพ่อกับแม่เนี่ยอย่างเต็มที่ซึ่งพ่อแม่เองเนี่ก็เข้าใจผิดถ้าคิดว่าลูกเนี่ยนะเป็นเจ้านี่ไอ้จิตที่จะคิดอบรมสั่งสอนเป็นต้นก็ก็น้อย แล้วก็พยายามที่จะอะไรใช้นี่ใช่ไหมมันร้องเอาร้อยก็ให้มันร้อยมันร้องเอารพันก็ให้มันพันมันร้องเอามอเตอร์ไซค์ก็ให้มันไปมันร้องเอาอะไรก็ให้มันหมดอะ่พะพ่อเราในฐานะลูกหนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็พยายามจะใช้นี่ให้ลูกให้หมดไอ้ส่วนลูกนี่แม่ชั้นเจ้าหนี้มันจะขูดอะไรจากพอ่อจางแม่เนี่ยก็ขูดเอาขูดเอาขูดเอาเอานี่ยนะเพราะฉะนั้นพ่อแม่ก็ไม่ฉลาดลูกก็บ้าไปบ้าปเลยนะพูดถึงว่าขั้นวิกฤตอย่างนั้นนี่นะฮะ ก็ก็ต้องมีแต่ว่าอขั้นที่เรียกว่าไม่เห็นความสําคัญของพ่อแม่เนี่ยมีทั่วไปโดยเฉพาะต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ค่อยให้ความสําคัญนะพอโตขึ้นเขาก็เป็นหนุ่มไปแล้วเขาก็ออกจากบ้านเลยไปทำงากินนะแล้วพ่อแม่ก็ทำตัวไม่จําต้องไปรับผิดชอบตามไปดูแลอะไรมากมายนะถือว่าโตแนละ้วอะไรอย่างนี้นี่ตัวอย่างมีมี ม, มีมีตัวอย่างที่ว่าเขาพ่อกับลูกเนี่ยเขาไม่ค่อย ไม่ความสัมพันธ์กันไม่ยุ่งกันเลยนะไม่เกี่ยวข้องกันอะไรไม่ค่อยสัมพันธ์นะมีชาวอเมริกันคนนึงนะเขาเขาเขาเขาจะเจียนแล้วนะเขาก็เดินทางมามามาเมืองไทยนี่นะเขาก็จะไปอยู่เมืองไทยนานแล้วเพราะฉะนั้นครั้งสุดท้ายเนี่ยเขาอยากจะนอนคุยกับลูกสักคืนนึงเถอะแล้วเขาก็ไปหาลูกเ้าที่บ้านนะพอจะจากไปนานแล้วนะพ่อหนอนอนคุยกันสักคืนเอะนะท่านเชื่อไหมว่าไอ้ลูกสะภ้ยไม่ยอมครับ มันบอกคืนนี้ไม่ได้หรอกต้องไปเช่าอะไรอะโมเตลหรือโฮเทลแถวๆนั้นอะอยู่นะโอ้แกเสียใจมากเลยนะซึ่งลูกชายก็ก็ไม่ทราบแบบยังไงนะแต่นี่ในลูกสะพายนะก็ไม่เห็นที่แสดงว่าเขาไม่เห็นความสำคัญระหว่างว่าพ่อแม่กับลูกอะไรสำคัญอะไรมากนักนะฮะนี่นี่ตัวอย่างว่ามันมีมีอยู่แล้วก็มีแล้วก็มีที่หนักกว่านี้ก็มี ยังเคยดูภาพยนตร์บางอย่างที่เป็นที่ชื่นชมของคนเมกันก็คือภาพยนตร์ที่ลูกอะลูกสาวเนี่ยคบกับผู้ชายมาและให้ผู้ชายฆ่าพ่อฆ่าแม่เนี่ยนะแล้วก็แล้วถ้าถ้าเป็นลักษณะงานประเภทอย่างนี้ออกมาม า, มากๆอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยนะคับก็ประกาศถึงว่าไม่มีความสําคัญนหนักๆเข้าก็ไปทําบาปกับพ่อกับแม่เนี่ยนะก็ทําอนันตริยกรรมกันบานเลย รันอนาคตต่อไปจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ตอนนี้ก็เป็นแล้วแล้วก็คือต่อไปจะเป็นมากกว่านี้มากกว่านี้มากกว่านี้มากจนไม่รู้จะมากยังไงถ้ายิ่งยาเสพติดมันระบาดมากก็จะยิ่งมากไปคนนั้นเพราะยาเสพติดนี่มันทำให้ลืมทุกอย่างหมดเลยนั่นคนที่ฆ่าแม่เพราะยาเสพติดเนี่ยมีไม่ใช่น้อยเพราะว่าไอ้ตอนที่มันจะมีปัญหามากก็คือตอนที่ขาดยา ช่วงที่สมมุติว่าเคยเสพยามาติดๆวันไหนถ้าไม่มียาแล้วนะเขาจะทำยังไงที่จะให้ได้ยาขึ้นมาท่านก็ไปขอสตังค์แม่แม่ไม่ให้ก็ก็หมายถึงว่ายอมจุตินั่นเองนั่นเองนั่นก็ต่อไปก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วอันนี้ถือเป็นเรื่องธรรมด า, านะนะยิ่งต่อต่อไปยุคต่อต่อไปก็จะไม่มีคําว่าพ่อคําว่าแม่นะในความคิดเนี่ยไม่มี ถ้าใครทําบาปก็มากก็เป็นที่นับถือมากใครทําบุญก็ไม่ได้ยอมรับอะไรนี่ก็หนักข้อต่อไปเขาปฏิเสธโอปปปาติกะไม่มีนรกไม่มีเปรตไม่มีเดรัจฉานเนี่ยเห็นเเป็นอาหารมีอันนี้มีแต่ว่าไอโอปปปาติกะเนี่ยไม่มีนรกไม่มีเปรตไม่มีอสุรกายไม่มีเทวดาไม่มีพระพรหมไม่มีหมือนกันปฏิเสธหมด แล้วก็ข้ อ, ขอที่สิบก็หนักคือคือปฏิเสธว่าสมณพราหมณ์ผู้ดําเนินไปโดยชอบผู้ปฏิบัติโดยชอบซึ่งกระทําโลกนี้และโลกหน้าให้แจ้งด้วยพระด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศให้รู้ไม่มีในโลกอันนี้ก็คือปฏิเสธพระพุทธเจ้าว่าไม่ใช่หรอกพระพุทธเจ้าที่รู้จริงแบบนี้ไม่มีเขาเขียนหลอกๆขึ้นมาใครจะไปเก่งสามารถอะไรขนาดนั้นมีหรอกมั้ก็ปฏิเสธแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าเพรา ะ, ะถ้าอย่างนี้ก็ไม่ใช่ กาละไม่ใช่ขณะไม่ใช่สมัยเพื่อจะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เ น, นี่ยนะคือถ้าเป็นมิจฉาทิถีนะไม่รู้จะไปปฏิบัติทําอะไรไหมเพราะถือพวกนี้ถือว่าตายแล้วศูนย์ น, นะพวกนี้มาจากคําว่าอุดเฉษพวกศัสตะทิถินะยังพอทําบุญบ้างยังพอทําดีอยู่บ้างแต่ถ้าพวกอุดเศททิถิไม่มีเนี่ยนนะพราะพวกอุดเศทอุดเศทะศเศท่านี่แปลว่าตัด หรือแปลว่าขาดนั่นเองส่วนอุท่อุชาตัวนั้นแปลว่าแบบมั่นน่อนะแบอบกว่าสรุปว่ตาและจบหมดเลยพวกนี้ก็จะไม่คํานึงถึงอะไรต่อไปในโลกหน้านะแล้วก็พวกนี้จะไม่เผื่อโลกหน้าอะไรเลยก็ทําบาปอย่างบานเลยแต่ก็พวกเชื่อโลกหน้าก็มีที่ปฏิเสธทิฐิเหล่านี้ก็มีเนีย่ยนะอะโลกหน้าเชื่อว่ามันมีมีแต่ว่าบุญบาปไม่มี จะดีจะชั่วอยู่ที่เคราะห์นะอยู่ที่พระเคราะห์อะไรที่ไหนก็ไม่รู้นะอยู่ที่โชคมันอยากดีมันก็ดีมันเองมันอยากชั่วมันก็ชั่วมันเองเนี่ยนะไม่แน่นอนนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐินี้ไม่ใช่ขณะไม่ใช่สมัยที่จะประพฤติพรหมจรรย์อะไรเลยเนี่ยนะส่วนอีกข้อหนึ่งนะข้อที่ข้อที่เจ็ดคือ ถ้าตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยสเสด็จอุบัติขึ้นในโลกและพระองค์นี้แสดงธรรมะเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อความดับยังสัตให้ถึงความตรัสรู้เป็นธรรมะอันทัศสุคตประกาศแล้วส่วนบุคคลนี้เป็นผู้เกิดในมัชชิมะชนบทแต่เขาเป็นคนมีปัญญาสามานโง่เขลาเป็นใบไม่สามารถจะรู้เนื้อความของถ้อยคาที่เป็นสุภาษิตและทุพภาษิตได้ นี่เป็นกาละไม่ใช่ขณะไม่ใช่สมัยเพื่อจะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในข้อที่7อันนี้หมายถึงว่าเกิดในยุคสมัยแต่ว่าเกิดมาปัญญาอ่อนเนี่ยนะก็เป็นปัญญาอ่อนเลยไม่รู้เรื่องเลยนะฟังดีก็ไม่ออกฟังชั่วก็ไม่เป็นจับกระวจับนั่งตรงไห น, นก็สังเกตสแงเะอยู่แถวนั้นนี่ก็อันนี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยใช่ไหมที่เรียกว่าปัญญาอ่อนเนี่ยนะอ่าพวกทวเหตุตุกะกะก็แย่ละ แค่ทวิเหตุในบางส่วนนี้ก็แย่แล้วอหตุกะไม่ต้องพูดถึงเลยเนะี่ยคือถ้าเป็นอย่างอย่างยุคนี้เนะียก็คือไปเกิดใกล้ๆวัดเชตาวันเนี่ยไปทำอะไรอ่ะไปเกิดเนี่ยอยู่ในละแวกเมืองราช จ, จะครึกนะนะตอนนี้อ่ะไปเกิดละแวกเมืองราช จ, จะครึกเลยนะไปอยู่ทํำยังไงนะมันยุ่งกันนะตรงนั้นอ่ะที่แถวๆวัดเวรุวันนะหน้าวัดเวรุวันเนี่ยเต้ไมหมดเลยนะแต่เกิดตอนนี้เอาอะไรอ่ะ หรือสถานที่ไรหลยๆแห่งเนี่ยแทบไม่ไม่เหลืออะไรเลยนะถ้าเป็นทวิเหตุและแยกดีแยกชั่วหรือไม่มีอัธยาศัยที่จะมีความเข้าใจในเรื่องบุญเรื่องบาปแล้วก็ไม่เสาะแสวงห า, หาแบบนี้อยู่แล้วนะแต่ก็มีคนส่วนน้อยอย่างพวกดอกเตรเอมเบกกาเนี่ยก็เกิดในตระกูลต่ำแหละนะแต่ก็คว้นขวายตลอดเลยนะควนขวายสแสวงหาทั้งท้ทีเ่เกิดมาเรียกว่าเหมือนจะคนด้อโอกาสในสังคมอยู่แล้ว แต่ก็เสาะแสวงหาจนได้นีตอนหลังก็นับถือพระพุทธศาสนาแล้วก็พาพวกอธิสูตรอธิสูตรเนี่ยหมายถึงกันทานนะนีพาพวกอธิสูตรเนี่ยเข้ามานับถือผู้ศาสนาเป็นจํานวนเป็นล้านเหมือนกันแต่ล้านเนี่ยนะถ้าเทียบปรียบมาณในคนอินเดียพันล้านเลย น, นับพามานับถือสักสองล้านเนี่ยนะจะไปอะไรนะนิดเดียวเองนะไอ้ที่เหลือเนี่ยจะเป็นจะเป็นพันล้านเนี่ยเป็นอย่างอื่นหมด แล้วก็พวกที่มานับถือก็พวกอาธิสูตรทั้งนั้นน่ะปกติก็ไม่ค่อยจะพอกินอยู่แล้ววันๆหนึ่งขอทานอยู่ทุกวันเนี่ยอัพวกนี้ก็ค่อนข้างอาับพับมากไม่พอที่จะเรียกว่าอ่านหนังสือก็ไม่ออกอยู่แล้วหรอนะไม่ต้องแล้วก็พระไตรปิฎกแปลเป็นภาษาฮินดูนี่คงไม่มีอ่ะมีแต่ภาษาบาลีสันสกฤตที่จะเป็นแปลเป็นภาษาชาวบ้านให้ให้ประชาชนทั่วไปอ่านรู้เรื่องเนี่ย เชื่อว่าไม่ ม, ม, ม, ม, มีก็เป็นความรู้ที่ยังพอเหลือบ้างก็ตามมหาลัยต่างๆนะเช่นมหาลาัยนารันธามหาลัยพาราณสีอะที่ยังทอมีสอนภาษาบาลีสันสกฤตอยู่บ้างนะโดยเฉพาะบาลีอะนะแต่สันสกฤตเขาไม่ให้เสี ย, ยหรอกเพราะมันเป็นภาษาของวันณพราหมณ์ของเขาเขาเขารักษาไว้อย่างดีอยู่แล้วแต่ว่าบาลีนี่ก็ถือว่าเป็นขแขนงเล็กน้อยอะนะที่ก็ยังมีอยู่ในมหาลัยบ้างแต่ก็ไม่มากอะไร ่ถ้าเกิดมาเป็นคนมีปัญญาสามนี่ก็แย่ะนะนะหรือเกิดมาสมมติว่ามีแต่พระไตยปิกแต่ว่าเกิดมาไม่ชอบอ่านหนังสือเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นนะก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่ได้อโอกาสเหมือนกั น, นะนะอีกข้อหนึ่งพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่เสด็จอุบัติขึ้นในโลกและพระองค์ก็ไม่แสดงธรรมะที่เป็นไปเพื่อความสงบ เป็นไปเพื่อความดับยังสัตว์ให้ถึงความตรัสรู้เป็นธรรมะอันทัสุคตประกาศแล้วส่วนบุคคลนี้เป็นผู้เกิดในมัชิมะชนบทและเขาเป็นคนมีปัญญาไม่โง่เขลาไม่เป็นใบสามารถจะรู้เนื้อความของถ้อยคำที่เป็นสุภาษิตและทุกภาษิตได้นี้เป็นการไม่ใช่ขณะไม่ใช่สมัยเพื่อจะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ข้อที่8นนะก็เกิดมาเป็นคนฉลาดเรียนดีอะไรดีหมดนะแต่ไม่มีคาสอนอะ ซึ่งยุคหน้าเนี่ยก็หน้ากลัวเหมือนกันนะถ้าใครจะเกิดอีกอะ่ะหมายถึงว่าถ้าเกิดมาใหม่เนี่ยฉลาดอะ่ะบุญนำเกิดด้วยมีมีปัญญาประกอบแต่ว่าไม่มีคำสอนให้เรียนให้อ่านะนะอันนี้ก็ไม่ใช่ขณะเหมือนกันที่จะประพฤติพรหมจรรย์คือไตรสิกขาไม่ใช่ขณะที่จะประพฤติศีลสมาธิปัญญาอะไรจำ <c oughs> ใครเนี่ย <c oughs> เออลกคุยกันพวกนักเรียนก่อนเสียงมันรบกวนเอาว่ า, าข้อความที่ว่าพระองค์ทรงแสดงทำเพื่อเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อความดับตรงเนี้ไม่ทราบว่าผมเข้าใจยังไงบ้างลองคุยคุยกันก่อนไหมใครใครเข้าใจแล้วลองอธิบายหน่อย เพื่อความสงบโอเคนะเพื่อความสงบพอยี่เข้าใจฮะสงบสมถะพิปัจนาเหยาะกับดับเลยวิโรจน์เอาใครจะเข้าใจยังไงบ้างแสดงทำเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อความดับเนี่ยเป็นไปเพื่อความดับนี่หมายความว่าไง เข้าใจยังไงครับขอบคุณคุณคุณแล้วมันมาผ่านไปได้ยังไงอะดวนี้เอาคุดท้ายนี้คพันจริงตรงนี้เมื่อกี้พระอาจารย์ก็อธิบายแล้วนะฮะว่าเป็นไปเพื่อความสงบก็คืออริยผล เป็นไปเพื่อความดับก็คือเพื่อพระ น, นิ่ันดานเพื่อจะจะรู้ก็ก็คือการเจริญมรรคสัจบรีดับแล้วอะไรคานิยมแล้วก็คำนินิโรธะเาเียนิโรธาอุปสมายะนิโรธาอายะสัมโพธายะ่ที่อื่นจะมีคาว่านิพพานายะนยีอันนะอุปสมายะอุปสมาก็คืออริยผล นิโรธะก็คือพระนิพพานสัมโพธายะตรัสรุก็คืออริยมรรคที่ภาษาไทยเพือเพลิมที่เราก็คำว่าดับนี่มีเยอะแยะเลยหลายอย่างเลยเพราะฉะนั้น <c oughs> ดับที่เป็นเรื่องของอถังคมะก็มี <c oughs> ดับนิโรธะก็มีภาษาไทยทำให้เราอันนี้คือจุดมุ่งหมายของคำสอนของพระพุทธเจ้าก็สอนเพื่อแทงตลอดโลกุตระธรรมอยู่แล้ว อันนั้นนะคือวัตถุประสงค์ของพระพุทธเจ้านะเวลาพระองค์สอนสูตรใดสูตรหนึ่งก็ตามพระองค์เอาโลกุตรธรรมมาตั้งเป็นที่เคารพก่อนแล้วก็จะแสดงธรรมอนุวัตต์ต่อโลกุตรธรรมเพราะพระพุทธเจ้ามีโลกุตรธรรมเป็นธงชัยเนี่ยนะนะเป็นที่เคารพเป็นที่นับถือเหมือนนะนะทะทอะไรกัน ก็เรียคสรก็บอกกาคุณถบนีก็แปลว่าสมรานี้ไม่ผิดแต่ไม่กก็บอกแล้วว่าอริยะผลมันใหญ่ าเธอทําไมเราจะต้องเอาของเราไปแปลที่บายของพระพุทธเจ้าคือเราคิดยังไง ก, ก็ก็อีกอย่างหนึ่งนะพระพุทธเจ้าว่าไออุปสมายะหรือนิโรธะอะไรเงี้ยนะซึ่งหมายถึงโลกุตระธรรมพระพุทธเจ้าเคารพโลกุตระธรรมก็บอกแล้วทีนี้ถ้าเราจะบอกว่าเออเป็นสมถะได้ไหมวิปัสสนาก็นว่าคําสอนของพระองค์อ่ะตัวคําสอนนั่นแหละเป็นสมถะวิปัสสนาแต่ว่าจุดมุ่งหมายเพื่อ เพื่อโลกุตระเราก็ทำไมไม่ต้องเอาโลกุตระมาทิบายให้มันเป็นธรรมดาเนี่ยเพราะจะเสียหายเหมือนกับคำว่าสันทิทิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยหีเนี่ยะสับนี้ทั้งหมดเป็นโลกุตระหมดเลยแล้วก็พยายามจะเอาว่าเนี่ยสันทิิโกเนี่ยมาทิบายเนี่ยสีเสียงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยรู้ด้วยด้วยตัวเองเนี่ยอาการิโกปฏิบัติที่ไหนก็ได้ไม่ต้องเลือกเวลาเนี่ยะ มันก็กลายเป็นว่ า, าที่เ อ, เอาเอาเอาโลกุตระรำมาที่ใบเย็นดอนอ่อนแข็งไปหมดเลยอเงี้ยอันนี้คือความเสียหายนั้นก็อะไรที่เป็นอัดเฉพาะก็เป็นอัดเฉพาะไปเห็นไหมอธิบายไม่ได้ก็อธิบายไม่ได้ไปเราก็ไม่ต้องไปเอาชั้นสูงมาที่ใบชั้นล่างๆเห็นไหมแต่ถ้าเอาล่างๆอธิบายแล้วจะถึงชั้นสูงได้ไหมอันนี้ได้เพราะศัพท์บางอย่างเป็นนิยามที่ใช้เฉพาะในเรื่องสูงๆอย่างเดียวเห็นไหม เพราะอย่างตรงนี้เราก็ต้องจับว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมะเพื่ออะไรเห็นไหมอย่างสมถาวิปัสนาเหมือนกับเรือใช่ไหมเหมือนกับเรือถามว่าพระพุทธเจ้าสอนให้ติดอยู่กับเรือไม่ขึ้นบกเลยหรือไม่ใช่จุดหมาอยู่แล้วเห็นไหมก็สอนเพื่อจะขึ้นฝั่งข้ามฝั่งไปเห็นไหมแล้วก็พยายามอ่าอ่านะเพราะว่าเราอย่าได้เอาโดยเฉพาะคําสอนถ้าพยัญชนะที่เป็นชั้นสูงเลยไม่ต้องดึงมาที่ายชั้นล่าง นะถ้าที่บายชั้นล่างได้เมื่อไหร่แปลว่าเราก็มีคุณธรรมอันนั้นเนี่ยนะก็เสียหายแล้วนะ 4, ก็เอาอิธิบาทเอาอิทธิบาทสีมาเรื่องธรรมมาหากินเนี่ยนะก็เสียหายแล้วแล้วก็ศัพ์เหล่านี้ก็เหมือนกันนะเอาอากาลิโกเอฮิปัสโกเนี่ยมาอธิบายเป็นกําหนดเนี่ยสีเสียงกลิ่นรสเนี่ยเสร็จแล้วเราบางท่านก็เราก็บอกพยายามอธิบายว่าศัพท์นี้ใช้เฉพาะโลกุตระนะเออใช่แต่ว่าอธิบายอย่างนี้ก็ได้ ก็ยังเอามาลงอีกแล้วก็เขียนหนังสือแจกกระจายไปทั่วไปหมดเลยแสดงว่าไม่ไม่รู้จุดประสงค์อะไรเลยเมื่อไม่รู้จุดประสงค์ก็ทาให้กล่าวตู่ทาสอนเนีย่ยนะก็ไม่รู้ว่าอะไรมีโทษไม่มีโทษนี่ก็ไม่รู้ละแล้วก็ไม่อยากให้เราเป็นอย่างนั้นกันเนี่ยนะ้าแมนมันเสียหายมากเนี่ยนะับขอขอนุญาตขอสปาร์ถาม <c oughs> เรื่อวิชาทฤษฎีนะครับพี่ มีควาเห็นติดไปว่าในข้อสามที่ว่าการเส้นสวงมันมีผลธ น, นอาอธิบายว่าเส้นสวงคือการต้อนรับเชื้อเชิญนั่นเองต้อนรับเชื้อเชิญนั่นนะครับการต้อนรับเชื้อเชิญทั่วๆไปเนี่ยเช่นแขกมาแขกไปเนี่ยพวงนี้แหละครับบสสไชภาษทยิดถังกับหูถังเนี่ยนะคือคือคือศัพ์ว่ า, าเส้นสวงนี่เราก็ไปนึกถึงภาพแบบ ของเราอาจจะเห็นของพราหมณนะ์ไงถ้าพราหม์ก็คือเอาอะไรมาตั้งแล้วก็เส้นซะนะหรือจีนเนี่ยที่เขาเส้นอะไรทั้งหลายแหล่นี่ยนะก็คือนึกไปเส้นอันนั้นไปสวงก็คือบวงสวงก็คืออ่อนวอนเนี่ยนะมันก็ก็คือการแปลเนี่ยนะนะก็ก็แปลไม่ไม่ดีอะ่ะก็แปลแล้วมันต้องอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะนะก็ยิดถังกับหูถังเนี่ยนะนะซึ่งเออแปลไม่ดี ในประ ก, การต้อนรับจะเข้าใจมากกว่าก็คือการต้อนรับการเ<ด>ชื้อเชิญเป็นต้นนั่นเองนะเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นกิจกรรมประเภทบุญ<ด>นี่ย น, นะเขาก็าบนอยู่แล้ว้็วบนที่จริงก็ยันเล็กยันน้อยอ่ะนะคือการบูชาอย่างใหญ่หน่อยกันบูชาไม่มากนะเล็ก ๆ, ๆอ๋ออันนั้นเทวตาพลีก็คือทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้เทวดาอไม่ไม่หัวข้อเราอยู่ในพลีห้านะ พวกอะไรราชพลีคือเสียภาษีอากร อ, อย่างเงี้ยนะเทวตาพลีทําบุญอุทิศให้เทวดาอะไรเงี้ยนะเปตะพลีก็คือทําบุญอุทิศไปให้ญาติแต่ที่ตายไปแล้วอะไรเงี้ยเขาก็จะมีพลีทั้งหลายแหละเป็นต้นก็จะอีกกลุ่มหนึ่งไม่ใช่กลุ่มนี้คือไอ้กลุ่มนั้นก็คือคือเขาเชื่ออยู่แล้วก็ทําไปแต่อันนี้หมายถึงว่าพวกปฏิเสธทิฐิเหล่านี้แต่ถ้าฟังเป็นข้อสองก็คือว่าถ้าใครไม่ทําทิธีเส้นสวงก็ ก็ถือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิใช่ไหมฟังไม่ดีแล้วก็จะทาปรเป็นสศกเสือไปก็ไอ้ถามว่าทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรที่ไม่มีผลเอานะถ้าจะมองมาแง่ผลนะเหตุกับผลเนี่ยนะทุกอย่างในโลกเนี่ยมีผลหมดจะทําอะไรก็ได้มีผลหมดอะแต่ว่าผลมันจะอะไรอีกเรื่องหนึ่ง น, นะเพราะทุกอย่างการกระทําในโลกนี้เป็นเหตุหมดแต่เหตุนั้นจะเหตุสุกติเหตุทุกติอีกเรื่องหนึ่ง น, นะ คือโอปปาติกะนะมาจากคำว่าโอปปาติกะนั่นเองปฏิเสธโอปปาติกะเนี่ ย, ยคือของเราไม่ได้เรียนธรรมะจากภาษาดั้งเดิมเลยเนี่ยก็ยากเหมือนกัน ท, ที่จะเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามที่แต่ละศัพท์เนี่ยจะต้องไปดูว่าคำอธิบายท่านอธิบายไว้ยังไงเนี่ยนะเห็นศัพท์เลยไม่ได้ ก็ต้องไปดูว่าคําอธิบายเหล่านั้นเนี่ยมีอธิบายไว้ยังไงเช่นอย่างนี้ก็มีอธิบายไว้ในปฏิสัมพิทธ์มั้งก็มีเช่นส่วนที่อยึดถังกับหุตังนะถ้าจำไม่ผิดก็หุกตังข้างบนเนี่ยยึดถังข้างล่างก็หุตังนั่นเองข้อสามก็หุตังนั่นเอง ซึ่งอันนี้เป็นเป็นเรื่องของสัมมาทิฏฐิซึ่งทั้งสิบข้อคือกรรมมสกตาสัมมาทิฏฐินั่นเองอ น, นะนะทั้งหมดเลยนะคือกรรมมสกตาสัมมาทิฏฐิที่ว่าให้ตามตรงก็คือเนี่ยยอมรับว่าทิฏฐธรรมะเวทนิยกรมมรมมีอุปชาเวทนิยกรรมมีอัปราปรย่าเวทนิยกรรมมีนั่นแหละคือคือคื อ, คอเรื่องกรรมนั่นแหละทั้งสิบข้อที่กล่าวไปเนี่ยนะสรุปว่าทุกอย่างในโลกนี้มีผลหมดเลยเนี่ยนะ การให้ทานมีผลก็คือยอมรับนะเพียงแต่ว่าขยายรายละเอียดมาว่าทิฏฐธรรมะเวทนียกรรมมันกิจกรรมมันคืออะไรบ้างอย่างเงี้ยนะอุปชาเวทนิยกรรมมันกิจกรรมมันคืออะไรบ้างอนะก็นั่นแหละคือพวกกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิอันเนี้ทั้ง1สิบประการเนี่ย อ้องให้ทาายใในบากิากจะาานรถ้าให้ทานด้วยกุศลมันก็ให้ผลเป็นสุขอยู่แล้วนะถ้าให้ผให้ให้ทานด้วยเจตนาที่เป็นกุศลเนี่ยนะก็ให้ผลเป็นสุขแต่การให้นี่นะไอไอการยื่นยื่นยกให้เฉยเฉยเนี่ยมันไม่ได้มันเหมือนกับเด็กเสิร์ฟนี่ได้บุญไหมอย่างเงี้ย มันก็ต้องไปคิดว่าไอการหยิบยื่นให้เฉยๆไม่แน่ว่าเป็นเป็นกิจกรรมที่เป็นบุญเสมอไปที่ตลาดก็มีการหยิบยื่นทั้งวันใช่ไหมแต่ว่าเป็นบุญไม่ล่ะมั้นก็ไอคําว่าทานในที่นี้อะล็อกไว้เลยว่าเจตนาที่ให้เนี่ยนะเจตนาที่ให้ที่ที่เสียสละโดยที่ไม่ได้ปราลบเบื้องหน้าเบื้องหลังเลยนะคือคือถ้ามีกรรมสกตาด้วยก็คือปราราลอ รลบให้ให้ด้วยเชื่อบุญเชื่อผลของบุญเป็นต้นนะไ อ, ไอการยืน่นชเฉยเนี่ยไม่ได้แปลว่าทานเสมอไปนะการหยิบยื่นนะเพราะนั่นก็เดี๋ยวจะเป็นแม่ค้าและจะได้ให้ทานทั้งวันเลยตรงไหนาขายดีๆหน่อยนะยื่นทั้งวันเลยนะไม่ใช่แมก็ยื่นแล้วเปิดจะรับเงินอ่าก็การนั้นคนซื้อก็จ่ายตลาดทั้งวันก็ได้บุญนี่กันแหละไอชอบเป่งมากอะไรบุญมากกันทั้งนั้นใช่ไหมถ้ามจ่ายทั้งวันน่ยนะนั่นว่าไปนั่นนี่กัน งั้นก็ไปหาซื้อใบไม้ไผ่หน่อยสิหาซื้อใบไม้หน่อยอเพาะฉะ้เจตนาของคําว่าให้เนี่ยล็อกไว้เลยว่าเจตนาที่ที่ให้ให้โดยที่ไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังอย่างอื่นเลยถ้าให้เช่นมีหวังผลตอบแทนเช่นลักษณะที่ว่าให้ข้าวหมาแล้วหมาจะได้เฝ้าบ้านให้อันนี้ไม่เป็นทานอันนี้ไม่ใช่ทานพวกพวกที่ลักษณะให้แบบมีผลประโยชน์พวกนี้นะไม่ใช่ทาน เอคิว่าหาว่าคนตกงา น, นี่ยแล้วก็สงสารแล้วก็รก็มาทำทำงานในบ้านของเราอันนี้ถือว่าการการทำอย่างนี้ถือว่าเป็ น, ปนการอยู่อยู่ที่เจ้าคนคนทะเขาคิดยังไงไไน่ะตอนตอนที่เราก็เข้ามาเนี่ยสงสารเขาเพราะเขาก<น>็ว่าเป็นขณะขณะไป คือคอก็เหมือนกับอะไรครับเหมือนกับบวชนี่แหละตอนแรกบวชมีศรัทธาถามว่าไอ้ทั้งบวชมาตลอดชีวิตเป็นบุญตลอดไหมก็ว่าเป็นชีวิตเป็นขณะขณะไปเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเอาแค่เจตนาที่ตั้งใจมาบวชตอนแรกเป็นเป็นหลักอะนะอันนี้ก็ลักษณะเดียวกันนะครับ เพราะว่าไม่ใช่ว่าเอาจุดขายคือสักรุณาการุณาตอนแรกมาแล้ว น, นะตอนหลังก็จิกหัวเขาใช้ด่าเขาทุกวันอย่างนี้เราบอกการุณาเนี่ยนะแต่ฉันไม่กรุณาก็จะไม่รับมาด่าอย่างนี้ทุกวันนี่เราบอกกัน<ม>ว่าเปนอันก็ไม่ใช่อยู่แล้วนี่ถ้าผมไม่ศรัทธาผมไม่มาบวชอย่างนี้หรอกไอ้ตอนมีศรัทธาตอนหนึ่งแตบวชแล้วมาทู่ศีลมันอีกตอนหนึ่งมันคนละขนาดกันก็ก็ว่ากันเป็นขนาดขนาดไปเนี่ยนะเพราะว่าถ้าเอามาปนกันหมดมันก็ยุ่งเหมือนกั น, น, น เจตนาดีใช่ไหมแหมอยากให้คนเนี้ยเขาเข้าใจมากเลยอธิบายด้วยโทสะใหญ่เลยเครื่งเที่ยวมองไงนะเอาไหมได้บุญไหมเอาเจตนาดีอะ่ะอยากให้เขารู้ใช่ไหมแต่ว่ามั น, มนแกนี่มันโง่มันนี่ทุบโต๊ะตั้งเงี้ยนะแล้วอะไรจะเกิดขึ้นนะนี่กรุณานเนี่ยแล้วก็ผอโ้เมตตา ม, มากอนะดีไม่ดีถึงไม้ถึงมือเสือบร้อยอันนี้ไม่ใช่ใหญ่เลยนะ ก, ก็ว่าเป็นขณะขณะอย่างที่ว่าไป พวกเราเวลาให้มันลบได้ก็ลบทิ้ง ไ, ได้เนี่ยตัวนี้มันมีรวมตัวมากเลยสังโยชนียธรรมทำเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชนนะ์ถ้าสังโยชน์นี่คือตัวสังโยชน์เลยสังโยชนียธรรมอ่ะนะมันเป็นกฎเกณฑ์ทางวยากรณให้รู้ในฐานะที่ตั้งของสังโยชน์องค์ธรรมได้แก่เนี่ยโลกิยะภูมิสามเนี่ยนะ ธรรมที่นับเนื่องในภูมิสา umm. เป็นสังโยชนิยธรรมหมดเลยเพราะอะไรเพราะเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์หมดอย่างอุปาทานิยธรรมเนี่ยนะก็คือธรรมเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานนั่นเนั่นเก็นิย่าเดียวกันอสัญญศาสตร์ก็คือเป็นพรหมอย่างหนึ่งในบรรดาพรหมทั้งหลายซึ่งพรหมนี้ก็พรหมประเภทนี้มีแต่รูปเฉยๆ พระเนี่ยท่านบอกว่าเป็นนักบวชนอกาศาสนาในอดีตที่ไม่มีผู้าศาสนาเนี่ยเขาเจริญวายโยกสินพวกนี้นะท่านเราก็เลยว่าเจริญวายโยกสิน เ, เมื่อเจริญวายโยกสินเนี่ยก็เห็นโทษของการมีความคิดเพราะจิตนี่แหละมันคือปัญหามากเขาาก็เลยทำวายโยกสินให้ได้ฌานที่สี่แล้วก็มีอัธยาศัยที่จะเบื่อหน่ายความคิดว่าปัญหาทั้งมวลในโลกนี่มันเกิดจากจิตทั้งนั้นแหละ ถ้าไม่มีจิตนี่เป็นการดีเพราะฉะนั้นไ อ, ไอ้จิตตสัญญาวิราคะคือน้อมที่จะเบื่อหน่ายในความคิดเนี่ยเพราฟะะันก็ไอ้ไอไอเจตนาที่ตั้งเอาไว้ก็ทําให้ปฏิสนธิเป็นอสัญยาสัตว์โดยที่ชาติไม่เสื่อมคือเบื่อความคิดนะนะว่าปัญหาในโลกนี้มันเกิดจากความคิดทั้งนั้นนะถ้าไม่มีความคิดเนี่ยมันจะดีขนาดไห น, ไนอันนี้มีแต่รูปไม่มีนามแต่พวกมีนามก็คือบอกว่าโลกนี้ถ้าไม่มีรูปนะมันไม่มีปัญหาหรอ มันก็ต้องการจำไม่ให้มันมีรูปเพราะนั้นพวกนั้นก็เจริญอารมณ์ ป, ปร ะ, ป ะ, ะรมทมกัมนก็วาโยกสินน่ะนะธรรมายโยกสิ น, ม น, ยยสนไม่ได้ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ใช่แบบนะแต่คือกัมผู้ที่ยินดีเนี่ยจะไปเจริญวายโยกสินวายโยกสินก็คือดูใบไม้อะไรที่มันไหวไหวอ่ะมันก็ไหวไหวเสร็จแล้วก็จํานิมิตไอ้คาว่าไหวไหวไว้ตลอดแต่ว่าแปลกมันน่าคิดว่าทําไมต้อง ต้องเจริญวาโยกสตินแต่ท่านบอกว่าเจริญวาโยกสตินทําให้ได้ฌานสี่ถ้าเกิดว่าเจริญวาโยกษตรินจะผิดจะถูกไม่ตรองวากันแต่ว่าฌานเกษินของเขาจะถึงโลกุตระไหมครัคนละทางกันเหมือนกจะถามว่าจะไปเชียงรายแล้วมันจะถึงกรุงเทพได้ไหคือถ้าซิกแซกมันได้นะแต่ถ้าตอบตรงๆมันก็ไม่ได้อะถ้าพูดแบบซิกแซกได้ไหมได้อ้อมไปอะไรเนี่ย AH นะพูดแบบอ้อมมันนะ ใช่นั่นแหละเอาให้ได้มันก็เอาจนได้ถนนทุกสายไปสู่กรุงร่มหมดแต่ถ้าเอางั้นเลยนะออกจับซอยไหนก็ไปได้หมดเลอชันยาสตว์ตาพรก็เป็นหุ่นกระบอกธรรมดานี่แหละนะ่นคือก็ก็บอกว่าเหมือนรูปปั้นนะนะเหมือนรูปปั้นนะก็เหมือ น, เ, นเหมือนก็เหมือนหุ่นขี้พึ้งอ่ะนะแต่ว่าความประณีตนี่ไม่ต้องไปเทียบเลยไม่ต้องเอาอะไรในโลกนี้ไปเทียบความงดงามของรูปอันนั้นน่ะ H, ไม่เหมือนก็แต่ละอิริยาบถไม่เหมือนกันเช่น э บางคนก็อยู่ในอิริยารูปบางท่านก็อิริยาบถยืนบางท่านก็อิริยาบถนอนบางท่านก็อิริยาบถนั่งนั่นนะแล้วแต่ว่าจุติด้วยอิริยาบถใดก็ปฏิสนธิที่นั่นด้วยอิริยาบถนะนั่นนะเธอก็ไม่แน่ว่าแต่ว่าโดยมากก็เป็นมิจฉาทิฏฐิก็คิดว่านั่นก็คือนิพพานอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันอ่านิพพานของเขาว่านะนั่นก<ล>็เป็นทิฏฐิแต่ว่าทิฏฐิอนั้นไม่ได้ห้ามสวรรค์ สัตตตาทิฏฐิไม่ได้ห้ามสวรรค์อุเฉธทิฏฐิที่ที่ยังอยู่ในสกายทิฏฐิแต่ทิฏฐิที่ห้ามสวรรค์นี่คือทิฏฐิ10ข้อที่กล่าวไปเมื่อกี้เนี่ยทิฏฐิสิข้อเนี่ยล่วงกรรมบทเนี่ยนะก็คือทั้ง10ข้อที่กล่าวไปเป็นอาภิริยะทิฏฐิเป็นนักธิกาทิฏฐิเป็นอุเฉธทิฏฐิมันทิฏฐิทั้ง10ข้อที่กล่าวไปเนี่ยอันนี้ล่วงครบกรรมบทให้ผลนําเกิดได้ แต่ถ้าพวกลักคลิปชั้นสูงแบบนั้นเนี่ยโดยมากไม่ไม่เป็นทิฐิ ท, ที่ที่มันนำเกิดแบบไหนเนี่ยนะเนยนะเกิดคว่าไปสวรรค์ได้ไหมเนี่ยนะมันทิฏฐิมันทำให้ไปสวรรค์ไม่ได้หรอกแต่ว่าไม่ห้ามสวรรค์รรใช่ ไม่ห้ามสวรรค์แต่ตัวมิจฉาทิถีพาไปสวรรค์ไม่ได้ไไดแต่ว่าไม่ห้ามนะ <c oughs> คือไม่ตัดสิทธินะนะ่นอะงท่ทั้งหล